มีความแตกอยหนึนะครับเพราะว่าแต่ก่อนจะเห็นมันเกิดแล้วก็เมาได้หลับแต่อันนี้จะไม่รู้สึกว่ามันเกิดหมือมนหลัมันไม่มันไม่มีเลยะันไม่แน่ใจเป็นงพอคือจิตจิตเรามันไม่ตั้งมั่นนะคือถ้าเราไม่ค่อยได้ฝึกอะมันหายอปหมดมันเป็นรู้สึกว่าไม่รู้เลยมันไม่รู้เลยมันเลิกปฏิบัติไปเลยนะ คือการปฏิบัติมันไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยหน้าที่เรามีหน้าที่คอยรู้ทันจิตแอบไปทําอะไรก็คอยรู้ว่าถ้าเราจิตสติมันไม่ไม่รู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็ดูไม่ออกลนะ้วโยงไปจากไหนอะไรฝังคนมาฝึกนะมาแบบไหนไปปฏิบัติไหย เคยไปมาจากไหนล่ะได้โยนเหรอเคยฝึกไหมูนี้ทรรมกาย ม, ม า, ยมมายมเยอะนะแปลกฝึกธรรมกายก็ได้สมถะได้พื้นฐานได้สมถะทำไงจะต่อพข้วิปัสสนาให้ได้ หลักของวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าสอ น, นก็อยู่ในหลักของอริยสัจ ส, สอริยสัจ ส, สี่คือทุกทุกได้แก่อะไรทุกได้แก่ขันธ์ห้าคือกายกับใจเหลานี้คือตรวจทุกหน้าที่ของเราต่อทุกก็คือการรู้ไม่ได้เพ่งไม่ได้บังคับนะให้รู้อย่างที่มันเป็นเรื่องวิปัสสนาจริงๆก็มีแค่ว่าให้เราคอยรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแต่งคบ สมถะเนี่ยจะไม่ยอมรู้กายดูใจจะไปรู้อารมณ์รู้นิมิตสมถะมนเป็นเหมือนกันที่ที่นอนที่พักผ่อนที่ปรัชนาเป็นที่ทํางานอย่างบางคนสามาทําสมถะมากๆจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดนะโคด้านกันใครนอนมากเราจะรวยไหมไม่รวยหรอกของโยก็คอยรู้สึกตัวนะรู้ตัวไป รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจทุกคนนะคอยรู้สึกตัวไว้ความรู้สึกตัวนี้เป็นจุดตั้งต้นของการทำมิปัสนาถ้าเรารู้สึกตัวไม่ได้ก็จิตใจเรานี่ไปจากตัวเองแล้วก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ก็ทำมิปัสนาไม่ได้นี้ที่เรื่องที่น่าตกใจที่สุดก็คือในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัว ในโลกนี้เต็มไปด้วยคนรู้สึกตัวแล้วาลิยะต้องเต็มโลกแน่ๆนี่ทำไมไม่ค่อยมีเพราะในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวแล้วถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราคงเรียนหนังสือไม่ได้คงทำงานไม่ได้คงขับรถไม่ได้คงเดินตกถนนอนี้ไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวอย่างโลกๆคือเราจะหาความรู้สึกตัวหายาก ส่วนใหญ่เราจะตื่นแต่ละวันเราจะตื่นแต่ตัวแต่ใจเราไม่ตื่นเพราะใจเราจะคิดคิดฝันฝันทั้งวันเราจะไปอยู่ในโลกของความคิดโลกของความฝันโลกของจินตนาการถ้าพูดภาษาพิธามก็คือไปอยู่กับโลกของสมมุติบัญญัติเราก็รู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้โลกของสมมติบัญญัติโลกของจินตนาการโลกของความหลงมันหลงได้หกแบบ เลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงได้ทั้งหกช่องเลยอายตนาอุทวานทั้งหกของเราเวลาเราไปรู้โลกภายนอกเราก็ลืมตัวเองไปเลยยกตัวอย่างเวลาเราเห็นคนเดินมาพอเราไปดูเขาเราเห็นแต่คนอื่นเราลืมกายลืมใจของตัวเราเองยมรู้สึกไหมตรงเนี้หรไม่แค่เราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองนั่งฟังอาตมาพูดรู้สึกไหม สนใจฟังสิ่งที่อยากามาพูดรู้เรื่องที่อยากามาพูดใช่ไหมแต่เริ่มลืมกายลืมใจตัวเองตรงนี้นึกออกไหมเห็นไหมว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะเรารู้สึกตัวน้อยที่สุดแทบไม่มีแทบไม่มีมมจริงๆไม่แกล้งว่านะโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรือเรานั่งอยู่คนเดียวเราก็คิดไปเรื่อยๆบางทีคิดอะไรก็ไม่รู้เคยเป็นไหมคิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยหลงสุกคิดเลย บางทีคิดนะรู้เรื่องที่คิดสัง เ, เกตไหมขณะที่เรารู้เรื่องที่เราคิดเนะี่ยเราก็ลืมกายลืมใจตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยเรามัวรับอารมณ์อยู่ทางทวารทั้งหกแล้วเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองนั้นในโลกนะหาคนที่รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจจะยากที่สุดเลยเวลาพวกเราเข้าวัดแทนที่เราจะรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเพื่อให้เกิดปัญญา เห็นว่ารูปนนำพันห้าเป็นทุกนะไม่ใช่ตัวเรานะเราไม่ทำพอเราเข้าวัดเราก็ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจไม่ใช่รู้นะแต่เป็นการเข้าไปดัดแปลงสังเกตดูพอเราคิดถึงการปฏิบัตบิปุ๊บเราจะเริ่มควบคุมตัวเองร่างกายของเราเราก็เริ่มวางกรให้มันผิดธรรมตางาจะนั่งก็นั่งไม่เหมือนเดิมจะเดินก็ไม่เหมือนเดิมจะหายใจก็ไม่เหมือนเดิม เราแทรกแสงทั้งหมดเลยความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจิตใจของเรามันเคยสายไปใส่มาเคยวิ่งไปวิ่งมาเคยสุขบ้างทุกข์บ้างเคยเป็นกุศลบ้างกุศสนบ้างเคยวิ่งไปทางตาม้างวิ่งไปทางหูบ้างวิ่งไปทางใจบ้างเราก็เริ่มไปบังคับให้มันนิ่งนิ่งรู้สึกไม่ทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเก็เริ่มไปบังคับใจให้นิ่งแทรกแส่ หลักของเราที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ให้เข้าไปแทรกแสงเขาเลยศัตรูของการรู้ตามที่มันเป็นศัตรูของการรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็น ม, มีสองนั่นศัตรูหมายเลขหนึ่งคือเราเผลอไปทางสวานทั้งหเราลืมตัวเราเองเราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เลยศัตรูหมายเลขสองก็คือพอคิดจะรู้พวกนักปฏิบัติจะเริ่มบังคับกายบังคับใจ มันจะนิ่งๆมันจะทื่อๆมันจะแข็งๆมันจะเกร็งๆมันไม่ใช่รู้ตามความเป็นจริงแต่เป็นการเข้าไปแทบใส่แศัตรูของการเจริญวิปัสสนามีสองอันอันหนึ่งเผลอไปอันหนึ่งบังคับไว้เผลอไปนี่ก็คือหลงไปตามอารมณ์ทางสวรรทั้งหกเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเรียกว่าความสุขหริกาการนิยมเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ที่พอใจ อยากดูก็วิ่งไปดูแล้วลืดตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังแล้วลืดตัวเองอยากรู้เรื่องก็วิ่งไปคิดแล้วลุดตัวเองสุดโต่ไปข้างหลงข้างหลงตามกิเลสส่วนใหญ่จะเป็นอาบายเพราะฉะนการสุขาริการุโยคเนี่ยรอภิธรรมสอนอีกชื่ อ, น อ, น, อนอัตตาสอนไม่อิจฉว่าอคุสลาที่สังขารความหลงปลุงแต่งฝ่ายอคุสรมันเริ่มจากหลงก่อนอยากดู อยากดูแล้วก็วิ่งไปดูลืมตัวเองเห็นไหมเราเห็นคนมาเห็นไหมโยมดูออกไหมเราดูคุ๊บในใจเรามาอยู่กับเขาเราลืมตัวเราเองนะในขณะเดียวกันการรู้สึกตัวก็ไม่ใช่การบังคับไว้ไม่ใช่เพียงแค่บังคับการเพื่งไว้บังคับไว้บังคับกายบังคับใจเรียกว่าการทําตนเองให้ลําบากนะภาษาบาลีเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยก เป็นความสุดโต่งในข้างบังคับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นสอนกรรมฐานเนี่ยท่านไม่สอนมาให้ทําอะไรนะท่านสอนบอกว่าให้รู้จักสิ่งที่ผิดสองอย่างธรรมาจักเนเทศอันแรกก็คือการหลงตามอารมณ์หลงตามกิเลสอันที่สองคือการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจโยมพอจะนึกออกมั้ยยังสองคนทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติเราก็เริ่มบังคับแล้วนะพอบังคับแล้วมันนิ่งผิดความจริง พอบังคับเก่งๆหลายปีเราจะรู้สึกว่ากูเก่งกูควบคุมได้กูบังคับได้นะเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาล้วถึงได้สอนเลยเถิดไปไนิพพานเป็นอัตตาเพราะเริ่มต้นก็คือเริ่มผิดทางที่พระพุทธเจ้าบอกแต่ถ้าเริ่มต้นนะอย่างที่ท่านสอนให้รู้ทุกดูกายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเราจะเห็นเลยกายนี้ไม่เที่ยงนะกายนี้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ จิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์จิตเป็นนัตตาบังคับไม่ได้จะเห็นเลยว่าลงอนาตตาหมดเลยพอรู้ความจริงว่ากายกับจิตมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันปล่อยพอ ม, มันปล่อยเนี่ยความหลุดพ้นมันเกิดขึ้นมางั้นอยากถึงความมีมุตหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหยุดหลุดพ้นจากความยึดมั่นในขันหานี้เองทำไมถึงหลุดพ้นได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริงว่าขันห้าไม่ใช่ตัวดีหรอกเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่ธาตุเท่านั้นเอง เ็นอย่างนงี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็คืนคืนให้โลกเข้าไปเรียกว่าการสลัดคืนหรือปฏินิสักะการสลัดคืนคืนขันห้าให้โลกเข้าไปความหลุดพ้นอยู่ตรงนี้เพราะฉะั้นหลุดพ้นได้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าบุคคลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสมาธินะด้วยปัญญาปัญญาตัวนี้เป็นวิปัสสนาปัญญาคือปัญญาที่เห็นว่ารูปนามขันห้ากายใจของเรานี้ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำไมถึงจะเห็นรูปนามขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ต้องคอยรู้ความจริงเขาดูของจริงลงมาอย่าไปคิดเอาเองนะอย่างพวกเราได้ฟังธรรมะมามากมายผงเคยได้ยินพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์รูปนามขันห้ากายใจเป็นตัวทุกข์ถามว่าเราจะรู้สึกได้ไหมว่าก า, กายใจเป็นทุกข์ไม่รู้สึกนะ งั้นเราฟังธรรมะยังไงเราก็ไม่รู้สึกว่าทุกข์หรอกเราจะรู้สึกว่ามันสุขบ้างทุกข์บ้างอย่างร่างกายเนี่ยเราเห็นว่าไม่ทุกข์นะยกเว้นมันเจ็บป่วยมันหิวมันหนาวมันร้อนอะไรเงี้ยถึงจะทุกข์เป็นไข้นะถึงจะทุกข์อยู่เฉยๆอย่างตอนนี้ไม่รู้สึกว่าทุกข์ยิ่งจะเห็นว่าจิตใจของเราเป็นตัวทุกข์เห็นไม่ได้เลยจะเห็นว่าเดียเด๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อย่างมากที่สุดเห็นได้เท่านี้เองแล้วมันไม่ตรงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน พระพุทธเจ้าสอนว่ากายกระใจเป็นตัวทุกข์แต่เราเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยถึงจะไปฟังพระพุทธเจ้าสอนนะก็ไม่สามารถอย่างเข้าถึงใจของเราได้เราไม่สามารถจะเห็นตามได้พระพุทธเจ้าถึงกําหนดบทบาทของท่านไว้แค่ว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางทางที่ท่านบอกก็คือให้รู้ทุกข์นะให้คอยรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่เผลอลืมไป สุดโตงไปข้างหลงข้างลืมข้างไหลาตามกิเลสเนี่ยกรรมาสุขาริการิโยกไม่หลงบังคับกายบังคับใจตัวเองเนื่องอตตะกลมัฏฐานิโยกให้รู้ไปรู้ตรงที่เขาเป็นตามที่เขาเป็นถ้ารู้อย่างนี้เรียกรู้ตรงความเป็นจริงยกตัวอย่างถ้าเราไม่ใจลอยไปแล้วคอยรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆดูซิมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราจะเห็นเลยว่ากายเนี้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นานๆทุกทีหนึ่ง ร่างกายเนี่ยอย่างเรานั่งอยู่นั่งสักพักก็เมื่อยใช่ไหมเมื่อยต้องเปลี่ยนอริยาบททําไมต้องเปลี่ยนอิริยาบทเพราะว่ามันทุกข์เราเปลี่ยนอิริยาบทแก้ทุกข์ไม่ใช่เปลี่ยนเล่นๆอะไรหรอกจริงๆเปลี่ยนแก้ทุกข์มันเมื่อยก็หนีหนีความทุกข์ขยับหนีไปถ้าเรามีสติอยู่คอยรู้สึกอยู่ที่กายเราจะเห็นเลยกายนี้เป็นทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกละเอียดเข้าไปอีกไม่ใช่ว่าทุกข์เฉพาะในอริยาบทสี่นะ ที่จริงหายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์อีกแหละนะลองหยุดหายใจก็ทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องหายใจเข้าอสบายขึ้นหน่อยหายใจเข้าไปเรื่อยๆทุกข์อีกแล้วก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกแล้วหายใจออกไปอ่าสบายหายใจออกไปเรื่อยๆทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกเห็นไหมว่าเราหายใจเข้าหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์เราเปลี่ยนอิริยาบทสี่เพื่อแก้ทุกข์เนในสติปัฏฐานสี่ท่านเริ่มสอนตั้งแต่ลมหายใจ ถ้าเราหายใจเข้าหายจออกเรารู้สึกตัวให้ดีไม่ใช่ไปเพ่งใ ห, ให้จิตสงบนะเพ่งให้จิตสงบเป็นสมถะแต่หายใจไปดูรู้ให้ทันเลยมันหายใจนี้ทุกข์เท่านั้นเองงั้นกายเนี้เป็นทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยกลายจะแสดงความทุกข์ได้ง่ายที่สุดยไม่ใช่นานๆทุกทีหนึ่งนะแต่ทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้จะทราบซึ้งถึงใจนะโอ้กายนี้เป็นทุกข์จริงๆอย่างนี้จะปล่อยวางได้ แต่ถ้าเรานึกนึกเอาพระพุทธเจ้าว่ากายเป็นทุกข์เราก็ทุกข์มั่งสุขมั่งไม่ปล่อยหรอกนะนี่กายเราเป็นทุกข์อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่บางคนดูละเอียดเท่าไหร่นะท่านสอนให้รู้อิริยาบทเนี่ยจะเห็นทุกข์รู้ลมหายใจเห็นทุกขนะ์ท่านสอนละเอียดให้รู้อีกสัมปชัญญาอย่างร่างกายจะเคลื่อนไหวจะคู่จะเหยียดนะจะเหลวซ้ายแลกขวาอะไรเนี่ยถ้าดูเป็นเราจะเห็นอนัตตา สิ่งที่กําลังกระดุกกระดิกสิ่งที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปธรรมอันหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวจิตเรามาอาศัยอยู่เท่านั้นเองในก้อนธาตุก้อนนี้จิตเพียงแต่เป็นผู้มาอาศัยอยู่เราจะเห็นเลยว่ากายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเรานะอย่างนี้เราเห็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราทําสติปัฏฐานสี่ถ้ารู้กายเนี่ยเราจะเห็นทุกข์ได้ง่ายเห็นอนัตตาได้ง่าย ใจเราจะถอดถอนออกมาของคุณเคยฝึกสมธาธนะเคยฝึกธรรมกายจิตมันตั้งมั่นพอเนี่ยจะเห็นทันทีกายนี้เหมือนอะไรกลวงกลวงอันหนึ่งรู้สึกไหมใจแค่มาใส่อยู่กายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเพราะงั้นกายยานตัสนาเนี่ยท่านถึงสอนว่าเหมาะกับสมถะิญาณิกถ้าเราทําสมาธิมาก่อนเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยกายไม่ใช่ตัวเราส่วนคนที่ไม่ทำเนี่ยนะจะรู้สึกกายเป็นตัวเราเนะี่มันแยกไม่ออกว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง งั้นคนที่จะเดินกายเนี่ยอย่าทิ้งสมาธิต้องมีสมาธิจิตตั้งมั่นจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเปลือกนะเหมือนอะไรเปลือกอะไรอย่างหนึ่งที่จิตมาอาศัยอยู่เด็กรุ่นนี้รู้จักคูเสฉวนไหม <c oughs> ยังรู้จัก ม, มันมาอาศัยเปลือกหอยอยู่นี่มันอาศัยอยู่นี่ถ้าเรามาหาดูจิตใจเรานะจิตใจของเราเดี๋ยวเราก็สุขเดี๋ยวเราก็ทุก เดี๋ยวก็เป็นกูศนเดี๋ยวก็เป็นอกูศนจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งวันเะยเคยรู้สึกไหมจิตใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันไม่เฉพาะแต่ละวันนะแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันอย่างตอนตื่นนอนใหม่ๆกับเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมความรู้สึกต่างกันตอนที่นั่งรถมาวัดกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมนั่งรถมาวัดยังคุยจอดจออยู่เห็นไหมตอนนี้นิ่งๆ ตอนมาถึงวัดใหม่ๆตื่นเต้นใช่ไหมตอนนี้เฉยๆตอนนี้เปลี่ยนไปไม่เหมือนกันนะตอนเริ่มฟังใหม่ๆงงใช่ไหมตอนนี้ชักรู้เรื่องไม่เหมือนกันถ้าเราเฝ้ารู้จิตใจของเราเราจะเห็นเลยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะนะพอตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใจเราคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนดังนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตใจเองเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอด การที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดนี่ก็คือเขาแสดงความไม่เที่ยงให้ดูะเพราะงั้นการที่เราเห็นจิตเนี่ยเราจะเห็นความไม่เที่ยงได้ง่ายถ้าเห็นรูปเห็นกายเนี่ยจะดูความไม่เที่ยงอย่างยากเล่ยเพราะว่ากายมันอายุยืนแต่จิตนะเกิดดับรวดเร็วเห็นความไม่เที่ยงง่ายแล้วถ้าเฝ้ารู้จิตไปเรื่อยๆเราจะเห็นอนัตตาได้ด้วยเราจะเห็นเลยว่าจิตของเรานี่เป็นของบังคับไม่ได้หรอก เดีนะ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ถูกเ ล, เลือกไม่ได้เดีนะ๋ยวมันก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวมันวิ่งไปคิด mm hmm. เลือกไม่ได้นะลองสังเกตดูนั่งฟังอาตมาพูดเจะสังเกตไหม mm hmm. เดี๋ยวมองหน้าอาตมานิดนึงเดี๋ยวฟังอาตมาพูดแล้วก็ไปคิดฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆดูออกไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดนะเลือกได้ไหมฟังอย่างเดียวไม่คิดได้ไหม ได้เหมือนกันถ้าเพ่งไว้เพนะราะฉะนั้นสมถะนี่ยเป็นตัวหลอกลวงเลยนะตัวที่หลงจิตไปเพ่งอ่ะนะแต่ถ้าสมาธิําเพื่อพักผ่อนให้จิตตั้งมั่นว่เาเห็นเลยกายหยุดตาหากักเนี่ยใช้ได้แต่ถ้าไปเพ่งจิตให้นิ่งนะจะดูจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นะจิตตานุปัสสนาท่านบอกว่าเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกอย่าไปเพ่งไว้ก่อนนะถ้าเพ่งไว้มันนิ่งนะให้คอยรู้ไปอย่างที่เขาเก็น์งั้นทางเดินเลยมีสงสายสายหนึ่ง ทำสมาทาก่อนแล้วมารู้กายสายหนึ่งรู้จิตเข้าไปตรงๆเลยจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเห้นทางเดินก็มีสองสายใครจะเลือกเดินสายไหนล่ะไม่ใช่เลือกตามยาถากรรมนะเลือกตามยาถากรรมมันอนาถาไปมันต้องมีเหตุผลทําไมเราถึงรู้กายทําไมบางคนดูจิตเราดูตามจริตนิสัย คนไหนเป็นพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบพวกนี้ท่านบอกให้มารู้กายเพราะว่ารักความสวยงามเหรอมารู้กายเนี่ยของไม่สวยไม่งามรักความสุขเหรอกายนี่แหละฟ้องให้เห็นตลอดเลยว่าไม่สุขหรบทุกข์จะดัดนิสัยอย่างจังเลยเพราะฉั้นพวกที่เรียกว่าตัณหาจลิตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามให้รู้กายจะรู้กายได้ดีถ้าทาสมถะสก่อน จะเห็นเลยว่าจิตมันมาใส่กายอยูนะ่กายนี้เป็นเปลือกที่จิตมาอยู่ชั่วคราวนะกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะถ้าพวกคนไหนเป็นพวกคิดมากคิดมากเนี่ยไม่ต้องพูดเลยเรื่องทําสมถะมั น, นทำไม่ไดนะ้ให้มาคอยดูใจของเราไวนะ้ใจเราเดี๋ยวก็วักแวกวักแวกไปด้วนยะตามรู้ตามดูไปนะใจมันมีกิเลสนะมันถึงได้วอกแวกพอเรารู้ทันใจิตใจที่มันมีกิเลสขึ้นมากิเลสหายไป จิตใจสงบขึ้นมาสมาธิเกิดที่หลังนะเรียกว่าใช้ปัญญานําสมาธิเพราะฉะนั้นคํำสอนของพระพุทธเจ้านะั้นมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เลือกตามยะถากรรมนะแล้วก็ไม่ใช่เลือกตามเพื่อนเพื่อนเราเข้าวัดนี้เราก็เข้าบ้างก็ไม่ใช่เลือกตามอาจารย์ด้วยอาจารย์ท่านนี้สอนกายเราก็เรื่อมไส่ท่านนี้เราก็เลียนกายทั้งๆ ท, ที่เราเป็นพวกคิดมาก อาจารย์ทำได้ลูกศิษย์ก็ทำไม่ได้หรืออาจารย์ท่านนี้สอนให้ดูจิตเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามไม่ได้เหมาะกับการดูจิตแต่เราก็อยากดูจิตบ้างหรือเพื่อนเราจะดูจิตเราก็จะดูบ้างไม่ถูกนะ <c oughs> ดูตัวเองก่อนก่อนจะปฏิบัติวิเคราะห์ตัวเองก่อนเราเป็นพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบหรือเป็นพวกคิดมากถ้าโลภมาก ก็ต้องรู้กายถ้าคิดมากก็ต้องไปรู้จิตอยากรู้กายให้ดีทำความสงบก่อนแล้วค่อยมารู้กายอยากรู้จิตรู้เข้าไปตรงๆเลยไม่ต้องไปดัดแปลงมันถ้าไปทำความสงบก่อนมันก็สบายนิ่งๆอยู่อย่างนั้นเองไม่มีอะไรให้ดูนี่ถ้ารู้กายถูกต้องอะไรจะเกิดขึ้นรู้กายถูกต้องจะรู้จิตด้วยนะ การที่เรารู้กายเนี่ยเราจะเห็นเลยกายเป็นของที่จิตมาอาศัยอยู่นี่รู้ทั้งกายทั้งจิตนะเพะงั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่ว่าจะทําอันใดอันหนึ่งก็รู้ทั้งกายทั้งจิตรู้ทั้งรูปทั้งนามถ้าสติปัฏฐานสี่รู้กายอันเดียวไม่ใช่แล้วละ่ะไม่ใช่ของจริงแล้วมันคือการเพ่งกายแล้วสติปัฏฐานรู้จิตอย่างเดียวกลายเป็นการเพ่งจิตมันแค่ว่าเบื้องต้นเอาอะไรเป็นฐานเท่านั้นเองเอากายเป็นฐานเพราะว่าถูกกัจจิลิต จะเห็นเลยร่างกายเนี่ยมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ใจมันเป็นคนดูเป็นคนรู้คนดูกายนี้มันเคลื่อนไหวกระดุกกระดิบไปมันไม่ใช่ตัวเราจิตนี่แหละมาเป็นคนดูมันเนี่ยมันจะแยกกายแยกจิตคนที่ดูจิตก็เหมือนแกนมุก็แยกกายแยกจิตนะมันจะเห็นเลยว่าจุดที่จิตความรู้สึกมันฝุดขึ้นมาตัวนี้เป็นรูปนะเรียกว่าหัศยาลูหรือตาเราเนี่ยไปมองเห็นภาพข้างนอกทั้งตาทั้งภาพข้างนอกนี่เป็นตัวรูป พอกระทบปับความรู้สึกหรือจิตของเราเปลี่ยนหูนี่เป็นของเป็นรูปนะกระทบจากเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนนะรูปกับนามนี่ยิงเอาใัยซึ่งกันและกันตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะรู้อะไรในสติปัฏฐาน4ี่ถ้ารู้ถูกต้องเนี่ยจะรู้ทั้งรูปทั้งนามแล้วก็เห็นความจริงของทั้งรูปทั้งนามว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้อย่างมีกายาเนี่ยเห็นกายมันเป็นทุกข์กายเป็นนัสตาจิตมันเป็นคนรู้ สั่งมันไม่ให้รู้สั่งมันอย่างงน้นสั่งมันอย่างนี้ไม่ได้สั่งไม่ได้จะเห็นใจลักเหมือนทำสติปัฏฐานเนี่ยถ้าทำถูกต้องเพียงอันใดอันหนึ่งนะก็ถึงมกผลนิพพานด้วยกันทั้งสิ้น